โอทภัย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 ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่เสนาบดีคนนั้นพูดก็น่าเบื่อสุดๆมันกลวงซะยิ่งกว่าข้างในของลูกปิงปองซะอีกหลังจากการประชุมอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรพระราชาได้เข้าไปหาความสงบในส่วนของพระองค์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 มีอะไรเล็กๆนุ่มๆปัะทะเข้าที่คอและร่วงดลนลงไปในกระเพาะของเขาเขาพูดต่อแต่แล้วอีกสองสามวินาทีถัดมาอะไรที่เล็กๆนุ่มๆก็เขา้าปากเขาอีกเขากระเดื่มันลงไประหว่างประโยคแล้วก็พูดต่อครั้งแล้วครั้งเล่าที่เขาต้องกลืนอะไรที่ว่าลงไปขณะที่เขาพูด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 ราวกับคนป่วยท้องของเขาปั่นป่วนด้วยความคลื่นไส้และในที่สุดเขาจําใจต้องหยุดพูดมือข้างหนึ่งกุมท้องที่ปั่นป่วนส่วนอีกมือหนึ่งตะบบปากไว้แน่นเพื่อปิดไม่ให้อะไรอะไรที่น่าขยะขยงหลุดออกมาเขาเรียกวิ่งจูดไปเข้าห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดอย่างสิ้นหวังเต็มที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 บางทีในรัฐสภาของเราในปัจจุบันการมีนักเป่ามือฉมังอย่างนั้นสักคนคงจะช่วยให้การงานเดินรุดหน้ามากขึ้นเป็นแน่หมายเหตุนิทานเรื่องนี้มีเขาโครงเรื่องมาจากนิทานชาดกเรื่องที่ร้อยจ็ด